ที่ฟังโคศกวันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์เป็นวันอันเป็นมงคลมามาที่ไรก็ทุกวันเป็นมงคลหมดเลยซึ่งเขาไม่ได้โกหกนะวันไหนที่เราตั้งใจทําดีวันนั้นเป็นมงคลวันนี้เรามาทําดีมา ให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสมาเปิดใจรับฟังอาตมาก็จะพยายามพยายามเป็นเป็นอะไรดีเป็นผู้บอกบอกต่อครูบาอาจารย์บางทีท่านนึกถึงนึกถึงท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าท่าน นึกแล้วมันคล้ายๆกับเป็นประตูรู้จักประตูไหมประตูก็คือถัดจากประตูไปเป็นกำแพง <c oughs> ประตูคือช่อง ท, ที่กำแพงเปิดเอาไว้ <c oughs> พวกเราเนี่ยเหมือนอยู่อยู่ในที่ที่ถูกกำแพงปิด แล้วครูบาอาจารย์ก็เหมือนเป็นช่องเปิดถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ข้างหลังอ๋อตรงเลยนะข้างหลังนี่เป็นพระพุทธรนะูปเนาะสิ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือผู้ที่พ้นแล้วถ่ายทอดบอกทางให้กับพวกเราที่เหมือนอยู่ในที่ทึบๆ ท, ทึบหมดทั้งกี่ด้านเนี่ยเหมือนเป็นถ้าเป็นลูกเต๋าก็หกด้าน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองาสี่ห้าหกหกด้านใช่ไหมหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างหกด้านมืดทึบถึงไม่มืดก็สรุสรสัวแต่ช่องข้างนอกเนี่ยพอเห็นช่องนะจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยสว่างโลง่งก็จะพยายามจะเปิดช่องเปิดช่องให้เห็นว่าทางโล่งมีจริง ทางโลง่งทางสู่ความพ้นทุกข์มีจริงทางข้างในนี่มันแน่นและกระทบกระทั่งกระทบแล้วก็เป็นทุกข์ผู้ที่จะมาบรรยายเปิดช่องให้โล่งได้ใจท่านควรจะบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยประตูก็จะโลง่งเปิดโลง่งไม่มีอะไรขวางใจของครูบาอาจารย์หรือผู้ที่จะมาบอก ถ้ายังไม่โลง่งยังไม่บริสุทธิ์ก็อาจจะมีอะไรที่มัวมัวขวางอยู่ทําให้กระแสที่ที่ควรจะถ่ายทอดได้เต็มเมเนี่ยก็ถูกขวางขวางด้วยอะไรขวางด้วยกิเลสบางอย่างที่ยังไม่หมด <c oughs> ของผู้ถ่ายทอดเองหน้าที่ของเราก็เปิดใจรับเปิดใจรับ สิ่งที่ผู้ต้องการถ่ายทอดถ่ายทอดให้พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่แสดงธรรมผู้ที่แสดงธรรมตั้งใจว่าขอให้ผู้ฟังรับฟังแล้วศรัทธา แล้วจงแสดงความศรัทธานั้นเถิดอย่างนี้นะถ้าฟังแล้วศรัทธาจงแสดงความศรัทธานั้นเถิดผู้แสดงธรรมที่ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจผิดแต่ถ้าผู้แสดงธรรมตั้งใจไว้ว่าทำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นเป็นธรรมที่แสดงทางซึ่งความพ้นทุกข์ ปฏิบัติตามแล้วจะถึงความพ้นทุกได้จริงขอแสดงสิ่งนั้นขอให้ผู้ฟังจงรับประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วอย่างนี้นะถ้าผู้ผู้แสดงธรรมตั้งใจไว้อย่างนี้พรา ะ, ะพุทธเจ้าบอกว่าผู้แสดงธรรมนั้นตั้งใจไว้ถูกนี่ผู้เตือนตวเองด้วย ทำไมอันแรกผิดเพราะอันแรกเนี่ยขอให้ผู้ฟังจงศรัทธาแล้วแสดงความศรัทธามันคล้ายๆกับว่าแสดงแล้วต้องการให้เขาศรัทธาตัวเองมันก็ง่ายต่อการที่จะสนองกิเลสของผู้แสดงแสดงแล้วขอให้ได้ราบอย่างเงี้ยนะก็แสดงเพื่อ สนองตลาดเขาอยากฟังอะไรที่สบายใจหรือว่าฟังอะไรแล้วให้ศรัทธาผู้ฟังเนี่ ย, อยขอศรัทธาผู้พูดนี่ผู้แสดงเนี่ยก็แสดงสิส่งนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็ได้เพียงแต่ผู้ฟังชอบผู้ฟังชอบชอบแล้วก็ศรัทธาศรัทธาแล้วก็ถวายของประมาณอย่างนี้เนะก็ ทำให้ข้อความที่ควรจะแสดงไม่ได้แสดงกลับไปแสดงข้อความที่ปล่าวปรปโลมปล่าวปรปโรมแต่ข้อความที่จะให้พ้นทุกเนี่ยไม่ใช่ต้องเครียดคนฟังทำที่จะไปสู่ความพ้นทุกไม่ใช่ว่าต้องนั่งเคร่งเครียดนั่งนิ่งนิ่งห้ามกระดุกกระดิกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ท า, างหความพ้นทุกข์จะต้องไปเริ่มต้นเลยนะให้มีปราโมทให้มีปราโมทรู้จักปราโมทใช่ไหมใครรู้จักบ้างใครไม่รู้จักบ้างใครไม่รู้จักปราโมทบ้างทุกคนรู้จักนะหน้าตายังไงไม่ใช่เป็นบุคคลนะไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อปราโมทหรือคุณปราโมท เป็นคาราวาดก็มีใช่ไหมปราโมทไม้กลัดเนี้ยก็คนดีนะแต่สิ่งที่เรียกว่าปราโมทคือรื่นเริง ม, มันเทิงใจรื่นเริงมันเทิงใจไม่ใช่ว่าเศร้าหมองหรือเครียดทำไมจึงต้องเริ่มด้วยปราโมทเพราะปราโมทเนียเป็นธรรมะที่เริ่มต้นกระบวนการต่อไปจะมีธรรมชุดหนึ่งเรียกว่าธรรมะสมาธิเป็นกระบวนธรรม มีปราโมดคือรื่นเริงมันเทิงใจหรือร่าเริงขึ้นมาแล้วจะได้มีปีติรู้จักปีติใช่ไหมปีติก็มีชื่อคนด้วยเนาะปีติก็เอาของดีๆนะชื่อดีๆมาเป็นตั้งชื่อตัวเองหรือตั้งชื่อให้ลูกหลานชื่อมีธรรมคือปราโมดมีปราโมดแล้วจะมีปีติปีติได้แล้วเนี่ยจะมีปัสสติคือมีความสงบกายและสงบใจปราโมดปีติปัสสติ แล้วจึงได้สุขสุขมาทีหลังนะสุขนี่มาทีหลังมีปลาโมดมีปีติมีปสัสสติปสัสสติเนี่ยคำอาจจะยากหน่อยปสัสสธิแปลว่าสงบสงบกายสงบใจแล้วจึงมีสุขแล้วพอมีสุขแล้วจึงจะมีสมาธิคนเราส่วนใหญ่โดยทั่วไปนักปฏิบัติทั่วๆไปมักจะเข้าใจกันว่า ได้สมาธิแล้วจึงจะมีสุขแท้จริงแล้วต้องมีสุขก่อนสุขเป็นเหตุและจึงจะมีสมาธิเช่นมีความสุขในการดูดูอะไรดีดูแสงสีทำกระสินอย่างี้นะก็ดูแล้วก็เกิดสมาธิได้ง่ายมีความสุขกับการดูลมเห็นลมเข้ามีความสุขเห็นลมออกก็มีความสุขมีความสุขไหมเวลาดูลมมีความสุข หายใจเข้าสดชื่นนะจะออกผ่อนคลายมีความสุขยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังไม่ตายดูไปแล้วก็มีความสุขก็ได้สมาธิเพราะมันมีความสุขกับสิ่งนั้นแล้วมันไม่ไปหาความสุขที่อื่นไม่หาความสุขที่อื่นถ้าคนอยู่ที่บ้านที่บ้านไม่มีความสุขมันก็จะไปหาความสุขนอกบ้านดังนั้นต้องทาให้บ้านมีความสุขจึงจะอยู่บ้านเดียว ให้จิตมีความสุขอยู่กับที่ที่เดียวมันก็จะไม่ไปหาความสุขที่อื่นก็เป็นความเป็นธรรมที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายตัวสมาธิพอสมาธิลึกๆกลับไม่มีไม่มีความสุขแปลกใจไหมสมาธิลึกๆกลกกับไม่มีความสุขสมาธิขั้นแรกนะนะมีองค์ประกอบคือวิตกวิจารปิติสุข เอกาตานี่ประมฌานสมาธิดีขึ้นได้ทุติยฌานมีปีติสุขเอกาตายังมีสุขอยู่นะพอฌานที่3 ม, มีสุขเอกาตาพอฌานที่4ไม่มีสุขละกลายเป็นอุเบกขากับเอกาตาฌานที่ห อุเบกขากับเอกกตาชานที่6มีไหมชานที่6มีไหมก็มีอุเบกขากับเอกกตาชานที่5ถึงชานที่8เนี่ยเป็นอรูปฌานองค์ธทำเหมือนกับชานที่4ยิ่งชานมากยิ่งชานลึกนะหรือระดับสูงขึ้นไปนะไม่ใช่มีสุขนะเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจะมีความสุขเสมอไป แต่มีสุขแล้วจะมีสมาธิงนั้นต้องตั้งตั้งตั้งเป้าหมายให้ถูกไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิเพื่อจะหาความสุขทำความสุขให้เกิดก่อนกรรมฐานง่ายๆครูบาอาจารย์สอนให้ยิ้มยิ้มกับตัวเองได้ไหมยิ้มยิ้มเฉยๆนยะเวลายิ้มเห็นตัวเองยิ้มไหมทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มเหมือนมีคนบอกรัก ทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยมีใครบอกรักเลยเหรออะไรมโนอะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าเคยมีคนบอกรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นอะไม่เคยมีไม่เคยมีประสบการณ์มีประสบการณ์ยังไงบ้างมีความสุขกับการที่ได้รางวัลอะไรไหมรางวัลเรียนจบได้เกรดเอ หายากอีกใช่ไหมบางคนบอกไม่เคยได้เกรดเเลยได้เกรดบนี่ก็ดีใจมากแล้วสนใจยาได้เกรด C อะไรก็ได้ที่ในชีวิตนี้เราเคยประสบแล้วมีความสุขหรืออยู่ๆก็ยิ้มก็ได้ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มเย่อมีแม่ยิ้มเยาะยิ้มเยะกิเลสยิ้มยะกิเลสไม่เงี้ยกิเลสตัวเองนะไม่ใช่เกเรกกิเลสคนอื่นยิ้มเยะกิเลสยิ้มขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่าร่างกายยิ้มปากยิ้มเห็นไหม ความความรู nitrogen, ้ส really ึกอย่างนี้นะมันไม่ได้เห็นปากด้วยตานะถ้าเห็นปากด้วยตาเนี่ยปากต้องยื่นมาประมาณนี้จึงจะเห็นเป็นปากเป็ดเห็นจิตที่เห็นจิตที่เห็นตัวเรายิ้มกับตัวเราที่ถูกจิตเห็นแยกออกไหมยิ้มร่างกายยิ้มมีจิตที่เห็นอยู่พอเห็นร่างกายยิ้มจิตมีความสุข จิตยิ้มด้วยจิตมีความสุขด้วยขณะที่เห็นจิตขณะที่จิตเห็นตัวเองยิ้มจิตก็ชอบใจดูตัวเองยิ้มได้นานๆ น, นี่นะมีความสุขเริ่มต้นด้วยการเห็นตัวเองยิ้มก่อนกระดาแล้วค่อยมาดูว่าขณะที่ยิ้มนั้นร่างกายก็ไม่ได้ยิ้มอยู่นิ่งๆยิ้มนานๆชักมีความทุกข์ชักเมื่อยปากเมื่อยแก้มอนะไรเงี้ยมันจึงต้องมี สุกระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นอุเบกขาคือทำหน้าเหมือนนิ่งๆยิ้มยิ้มจากสุขมากๆ ก, กันยิ้มน้อยๆสุขน้อยลงสุขน้อยลงเหลื อ, อเบกขาแต่ก็มีความสุขในการดูตัวเองหายใจต่อหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายทำอย่างนี้นะเวลาเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะทำในทำกรรมฐานในรูปแบบเริ่มต้นยิ้มก่อน มองเห็นตัวเองยิ้มจิตมีความสุขด้วยกับการเห็นตัวเองยิ้มพอยิ้มเมื่อยแล้วก็ทําเฉยๆร่างกายเฉยแล้วมันแสดงของมันเองว่ามันไม่เฉยจริงถ้ามันเฉยจริงนะมันกลายเป็นศพ <c ười> กายที่อยู่นิ่งๆจริงนะคือกายที่เป็นศพแต่ศพก็ไม่นิ่งจริงอะ่ะข้างในนะมันกําลังกําลังผุพองกําลังเนา่ากําลังเฟะเปลี่ยนแปลงแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใด ที่อยู่นิ่งจริงที่นิ่งจริงจริงมีแค่สิ่งเดียวนิพานนิพานคือภาวะที่นิ่งจริงจริงนอกนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่มีภาวะอันไหนรูปธรรมนามาร ำ, ำ, ำอะไนที่อยู่นิ่งได้จริงต้องเปลี่ยนแปลงแม้แต่เข้าฌานแล้วก็ต้องออกจากฌานไปเป็นพระพรหมแล้วก็ต้องตายจากพรหมตายจากพรหมแล้วจะมาเกิดเป็นอะไรยังไม่แน่นะจะมาเป็นคนจะเป็นเทวดา พรหมบางองตาจากพรหมเป็นหมูมีมีนพระไตยพิดกนั้นไม่แน่ดูความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของกายดูความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปเร่งให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราพยายามเร่งให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงทําไมจึง เฉยอยู่ได้อะไรเงี้ยนะทไมเขายังเฉยอยู่ได้คุณไหมเขาจึงไม่ยอมเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ทํางานขอเขาสักทีอะไรเงี้ยนะมาดูใจตัวเองว่าใจเราเองเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดีกว่าส่วนงานข้างนอกก็ต้องทํานะงานข้างนอกก็ทําไปทําตามหน้าที่ไปแต่อย่ามวัวแต่ไปเร่งให้คนอื่นเขาเปลี่ยนให้มาดูใจตัวเองว่าใจตัวเองก็เปลี่ยนเหมือนกันเห็นหน้าคนนี้ดีใจหรือเสียใจ เห็นหน้าคนนี้อีกทีหนึ่งดีใจหรือเสียใจเปลี่ยนไปเห็นหน้าอีกคนหนึ่งดีใจหรือเสียใจเชา้าขึ้นมาจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สายขึ้นมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตนึกถึงคนคนหนึ่งนึกถึงยิ่งรักยิ่งรักนึกถึงมีความสุขไงนะ <c oughs> เพราะว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยมีความสุขยิ้มขึ้นมาเลยทันทีอย่างเงี้ย บางคนน่าเศร้าสงสารโอทำงานหนักทำงานก็ยังถูกต่อว่าอะไรเงี้นะสงสารเห็นใจที่มีความกรุณากรุณาไหมรู้สึกผูเบกขาแล้วเนาะหรือถ้ามีใจอย่างนี้ขึ้นมาให้รู้นึกหน้าใครแล้วจิตใจเป็นยังไงให้นึกย้อนมาดูตัวเองก่อน นึกเห็นตัวเองบ้างอย่ามัวแตวมว่มัวไปดูแต่คนอื่นนึกถึงเฉลิมเ<า>ฉลิมรู้สึกยังไงหน้าสงสารถูกกรรมไล่ตามกรรมในี่ไล่ใหญ่เลยคนเราเนี่ยทาทั้งกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมแต่กรรมที่ไล่ตามเฉลิมตัวนี้คือกรรมนันใช่ไหมแล้วก็สงสารโอถูกกรรมไล่ตาม สงสารไหมหรือสน้ำหน้าใขรสน้ำหน้าไม่มีนะอ้ะอาวมใีให้รู้ทันนะให้รู้ทันคนเราเวลาพลาดเนี่ยคือไม่ทันกิเลส ต, ตัวเองเวลาทำอะไรมักจะมองแค่สุขหรือทุกข์แค่นี้ไม่พอ ทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วมีความทุกข์ส่วนใหญ่เราก็จะหาสิ่งที่จะให้ความสุขกับตัวเองความสุขและความทุกข์ไม่ใช่ตัวตัดสินอย่างเดียวที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะต้องดูว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นมันมีประโยชน์แค่ไหนกำลังสนองกิเลสอยู่ก็มีความสุขได้ใช่ั้ยกำลังสนองกิเลสก็มีความสุขเพราะนั้นสุขที่ ที่ได้รับจากการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวตัดสินว่าควรทาหรือไม่ควรทาความทุกข์ที่จากการทาอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการทุกข์เพื่อปลายทางเป็นสุขหรือไม่ใช่สุขเฉพาะตัวเองด้วยเป็นสุขเพื่อมวลชนอะไรเงี้ยนะสิ่งนั้นก็ควรทาการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่สร้างด้วยความสุขตลอดเวลา ก็ต้องสร้างด้วยความบากบั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในขณะที่ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นทุกขเกิดขึ้นแต่เป็นทุกข์ทางร่างกายทุกในการที่จะต้องอดทนต่อสภาพแวดล้อมต่อแดดต่อลมฝนต่อบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลใช่ไหมฝ่าฟันอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์และไม่เอาอย่างนี้เรียกว่า สนองกิเลสตัวเองท้อแท้นึกถึงประโยชน์ตนคือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องการให้เกิดสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตจะเกิดสัมมาสัมโพธิญาณได้จะต้องมีบารมีให้ครบการสร้างบารมีไม่จะสร้างแบบนอนเอกเหน ก, กอยู่กับบ้านหรือไปสแสวงหาความสุขตลอดชีวิตอย่างนั้นไม่ได้มีบารมีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นต้องสร้างบารมี การสร้างบา ร, รมีเนะี่ยให้ทานให้ทานเนี่ยก็ให้ตั้งแต่สิ่งของจนกระทั่งบุตรภรรยาแม้กระทั่งอวัอวยวะของตัวเองตาหูบางทีถูกเฉือนไปก็ต้องท น, งนนะหรือชีพิตชีพิตก็ต้องทนได้ในสายตาคนอื่นในสายตาคนอื่นคือว่าทุกขทรมานมันก็ทุกทรมานจริงคือทุกทรมานกายแต่ใจนะี่มีความสุขมีปีติที่ได้ทําสิ่งนั้นเพราะว่า เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ได้ทำและมันเป็นประโยชน์จริงด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นแม้จะมีความทุกข์ทางกายแต่เป็นบารมีบารมีที่ได้นั้นคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะเห็นการลำบากตรากตรำบางอย่างเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าเป็นคนโง่เหมือนอย่างที่ใครดียกพระโพธิสัตว์องค์ไหนดี องค์ที่สเสวยชาเป็นฤาษีฤาษีเป็นฤา ษ, ษ, ษีอยู่ในอุทยานพระราชาไปเที่ยวอุทยานในสวนสวนนั่คืออุทยานนะนะไปกับนางสนมพ ร, พระราชานี่กับธรรมดาสนมเยอะไปสนมสมวติทั้งหมดนี้เป็นผู้หญิงหมดนะสนมประมาณขนาดนี้ คนยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้หญิงใช่ไหมปรากฏว่าไปอุทยานแล้วก็พักผ่อนเที่ยวเล่นเล่นน้าแล้วก็พักผ่อนเหนื่อยแล้วก็หนุนตักสนมคนหนึ่งสนมเอกหนุนตักสนมเอกสนมเอกเนี่ยเลยต้องรับงานหนักต้องให้พระราชาหนุนตักตัวเองพอพระราชาหลับ หลับในภาษาราชาศัพ์ว่าอะไรบรรทมนี่หลับเลอะเหรอแค่นอนใช่ไหมหลับเออเอาภาษาชาบ้านดีกว่าง่ายดีเนาะตมาก็ไม่ใช่ลิเกเก่าเอาเป็นว่านอนหลับพระราชาก็นอนหลับพระราชานอนหลับไปแล้วสนมคนอื่นก็ได้ช่องจะไปพักผ่อนตัวเองบ้างจะมาห้อมล้อมอย่างเดียวเนี่ยค้ายเขาบอกพออยู่ตอนหน้าตอนพระราชาตื่นเนี่ยต้องทําหน้าที่มันก็เกรง เครียดพอพระราชาหลับแล้วก็สบายโอ้ชั้นจะไปเดินเล่นบ้างแต่นางสมนมเอกเนี่ยต้องต้องนั่งขยับไม่ได้ขยับเดี๋ยวพระราชาตื่นก็เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเจอฤาษีองค์หนึง่งโอ้หน้าตาท่าทางฤาษีถึงแม้จะหนวดเครายาวนะแต่ดูหน้าหน้าศรัทธาก็เข้าไปใกล้ๆไปดูใกล้ๆไม่ได้คุยอะไรนะไปนั่งมองมองมองพระราชาแล้วเบื่อแล้วเนาะ ก็ไปมองฤาษีมองฤาษีแล้วก็ชอบใจนั่งมองสนมที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยนะก็เห็นอยู่นะอยากจะไปดูบ้างอยากจะไปดูบ้างเพราะว่าเพื่อนๆสนมด้วยกันเนี่ยไปดูแล้วก็บอกว่าโอ้รอเป็นพระโพธิสัตว์นะนะรูปร่างหน้าตาก็ดูดูดีสงา่ามีรศงาราศีกลับมาก็มาเล่าโอ้รอรอ นั่งสมาร์ทมากไปดูสิเออแต่เธอไปดูไม่ได้เธอต้องนั่งนี้ก่อนเดี๋ยวฉันไปดูอีกท <laughs> ีมันเล่าให้อิจฉาเล่นสนมเอก็อิจฉาปรากฏว่าพระราชาไม่นานก็ตื่นพระบรรทมแน่อใช้คําศัพท์ บ, บ้างตื่นมาตื่นมาก็แงพระราชาแ ง, งรู้จักคกําว่าแงเลยใช่ไหมพระธาก็แงไปดูเอ๊ะสนมเราเต็มศาลาหายไปไหนหมด ตอนนั้นไม่ได้อยู่ศาลานะอยู่อยู่อุทยานสนมเราหายไปไหนหมดนางสนมาเอกก็เลยได้ทีตัวเองมีจิตริษยาพวกที่ไปดูลุสีหล่อหล่อนะตัวเองไม่ได้ดูก็เลยใส่คือเรียกว่าอะไรหาเรื่องหาเรื่องหางานให้นางสนมงานเข้าวนางสนม <c oughs> ก็เลยบอกว่านางสนมพวกนั้นนะ่ะ เอาใจออกห่างพระองค์แล้วไปเจอฤาษีหนุ่มพวกนั้นแล้ ว, ลวก็เอาใจไปให้ฤาษีองค์นั้นแล้วไม่รักพระองค์แล้วเมื่อเชอพระองค์ไปดูสิน่ะเป็นะปนั่งตอมเนี่ยดูสิใช้คํานี้นะจะเป็นนั่งตอมฤาษีอยู่นั่นอนะ่ะพระราชาได้ยินก็โอ้โหสูญเสียของรักนะครั้งที่มีเยอะนะแต่พอสูญเสียไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกถูกหยามถูกลฤาษีมาหยาม ศักดิ์ศรีของบุรุษเอกบุรุษแห่งรัฐนั้นก็เลยไหนๆฤาษีหล่อองไหนขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยก็ไปดูหน้าดูหน้าดูด้วยม่านสายตาเนี่ย น, นะถูกฟิลเตอร์บังไว้แล้วว่าไอ้นี่คือศัตรูเราไม่ได้มองเลยว่าเป็นฤาษีผู้ทรงศีลที่ควรจะศรัทธา เวลาเรามีโทสะมองใครก็จะมองด้วยโทสะตัดสินเข้าไปเลยตัดสินเข้าไปเลยว่าคนนี้ไม่ดีเขากระดิกอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะเราตัดสินไปว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องไปแล้วเป็นศัตรูเราไปแล้วเนี่ยเขาขยับอะไรเราก็จะเกิดโทสะได้ตลอดเป็นอย่างนั้นไหมเคยมีประสบการณ์งี้ยไหมบางคนนี่นะ ของหายของหายแล้วสงสัยว่าใหญเนี่ยเอาไปใหญ่นี่เอาไปแล้วมาพอมันขยับอะไรนะนี่แหละลักษณะขโมยใช่เลยขโมยเนี่ยนะมันจะมีบุกลิกอย่างนี้ใช่เลยมันเดินไปนะน่ะน่มันมันกําลังไปทําดูสิมันเจอหน้าเราทําทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันเนียนมันเนียนไงเห็นไหมเราเรามองอะไรเนี่ยมันจะตีข้าไปเลยว่าโอ้โหมัน ทำท่าเพื่อจะบิดเบือนเพื่อจะหลอกเราทําให้ดูว่าเป็นคนบริสุทธิ์หมกตีค่าเขาเป็นคนไม่ดีไปเลยขยับไปขยับมาเข้าห้องน้ําออกมาอีกทีอ้าวของอยู่ที่เกะ๊ะเออพอเห็นอย่างงี้แล้วนะภาพที่เคยมองคนอื่นว่าไม่ดีเนี่ยก็ลบออกไปกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดไปเองพอมองไปอีกทีเออจริงๆแล้วก็ปกตินะ ไอ้ฟิลเตอร์แต่นั้นหลุดออกไปแล้วจากการที่เห็นของกลางคืออยู่ที่ตัวเองพระราชาเนี่เหมือนกันฟิลเตอร์คือไปบังตาไปแล้วว่าฤาษีหนุ่มองค์นี้เป็นศัตรูเราแย่งสนมเราไปน่าจะมองว่าฤาษีเนี่ยประพุทธภู ม, รรนะมิจันนะไม่ไม่ได้เอาเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปถึงท่านมีดีอะไรท่านมีดีอะไรทําไม จึงเป็นที่สนใจของสนมของเราชี้หน้าแล้วท่านมีดีอะไรคือศียุคนั้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านตั้งใจไว้พอพอรู้ความรู้เดียงสาว่ารู้ว่าตัวเองเกิดมาในชาตินี้เพื่อสร้างบารมีสร้างบารมีเพื่อเป้าหมายสูงคือไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินี้ตั้งใจว่าจะ รักษาหรือสร้างบา ร, รมีข้อขันติขันติบา ร, รมีพอมีอายุเป็นหนุ่มแล้วก็ออกบวชออกบวชมาก็จะตั้งใจที่จะเจริญบา ร, รมีข้อขันติแล้วก็นั่งด้วยความอดทนขันติใครๆก็รู้ว่าท่านเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีข้อขันติอยู่บางทีก็จะเรียกชื่อท่านว่าท่านขันติ ลึกสีก็เลยบอกว่าเราถ้าจะว่ามีคุณความดีอะไรในขณะนี้เราก็นึกได้ว่าน่าจะเป็นข้อขันติพระราชาก็เลยบอกว่าเหรอขันติอยู่ที่ไหนไหนขันติอยู่ตรงไหนที่ว่าดีน่ะโช้ใหโชวโช ว, โชวหน่อยขันติไม่ใช่ของเอามาโชว์กันได้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเอามาโชว์กันได้เป็นนามธรรมเป็นบารมี คือความอดทนมันต้องมีสิถ้าไม่มีดีแล้วนางสนมพวกเราเนี่ยจะมานั่งดูอะไรที่มาดูต้องดูของดีสแสดงว่าของดีเนี่ยมันต้องมีอยู่และสนมจึงจะมาดูของดีที่ท่านมีเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จมูกหรือเปล่าจมูกท่านดีหรือเปล่าจมูกโด่งหรือเปล่าแล้วไปเข้าคลินิกที่ไหนมาหรือเปล่า ไม่ได้ขันติไม่ได้อยู่ที่จมูกไม่อยู่จมูกก็เฉือนอยู่ที่หูหรือเปล่าไม่ใช่เฉือนทนขันติไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเหรอเอาพระขันรู้จักพระขันใช่ไหมผ้าขันเอาไว้ทำอะไรตักน้ําไม่ใช่พระขันคือมีดสั้นๆพระขันก็คือเป็นอาวุธประจํากายของพระราชา ขยิบประคันมาอ๋อขันติอยู่ที่ใจเหรองั้นก็เอาประขันเสียบท่านทนทุกทางกายอยู่ไม่ถึงห้านาทีทนทุกทางกายอยู่ไม่ถึงห้านาทีที่ถูกถูกเฉือนจมูกถูกเฉือนหูเนี่ย น, นะแปบ๊บเดียวแล้วก็เสียบหัวใจแป๊บเดียวด้วยความที่ท่านมีขันติไม่ได้โกรธคนทําเลยนะ ถูกเฉือนจมูกไม่โกรธเน่ยนะถูกเฉือนหูไปก็ไม่โกรธเลยไม่ได้กังวลเลยว่าเอพ้นจากพระราชาองค์นี้ไปแล้วเราจะไปเข้าคลินิกไหนอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยคิดแต่ว่าทนไม่โกรธตอบผู้ที่มาทำร้ายเราทนอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านตายจากขันติวาธีดาบทไปเป็นพระพรหมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้บา ร, รมีเต็มที่เลย คือชาตินั้นเนี่ยได้ปรมัตตบารมีในเรื่องของขันติไปเลยพระราชาองค์นั้นเนี่ยเท่ากับว่ามาเติมบารมีให้ท่านเต็มในข้อนี้ไปเลยสิ่งที่มากระทบเราร้ายเท่าไหร่ถ้าเราทนได้ถ้าเราท น, นได้นะกลายเป็นว่าเราได้บารมีมากขึ้นส่วนคนทนไม่ได้คือพระราชาทนไม่ได้ ทนที่จะเห็นนางสนมตัวเองมารุมล้อมชายอื่นทนไม่ได้ทนความโกรธตัวเองไม่ได้ทนความกระทบกระทั่งที่เกิดกับใจตัวเองไม่ได้ทำร้ายคนอื่นคนทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนแข็งแรงคนทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนกล้าคนทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนดีคือคนอ่อนแออ่อนแอคือทนต่อการกระทบกระทั่งในใจตัวเองไม่ได้ ไปทำร้ายเขาทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายตอบเฉือนจมูกเฉือนหูเอาพระขันแทงแทงเสร็จแล้วพอพลุสีตายท่านก็ไปไหนไม่รอดบาปที่ทำมันหนักจนกระทั่งที่ว่าแผ่นดินรับเอาไว้ไม่ได้ต้องแหวกแหวกเพื่อรับเอาบาปและตกนรกทั้งเป็น ยังไม่มีการตายโดยร่างกายแล้วค่อยตกนรกเนี่ยนะตกไปทั้งทั้งตัวเลยตายคงตายระหว่างที่กำลังตกนะเพราะว่าไฟไฟนรกนี่แลบออกมาเลยสนมทั้งหลายคนจะตกใจพวกเราอยู่ในนั้นบั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสนมทั้งหลายนี่ตกใจเห็นไฟแลบออกมาเห็นพระราชาหล่นตุบลงไปในในแผ่นดินเนี่ยตกไปอยู่ในชั้นอเวจี รู้จัก a เวจี v G, ไหมมงคนเอาไปตั้งชื่อนักวงด น, นตรีใช่ไหมอัตมาว่ามันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะ <laughs> เป็นชื่อนรกอะ น, นะมันถ้าจะจะทำอะไรก็ไปรู้จักหาชื่อที่เมืนเป็นมงคลบ้างนะอยู่อะไรดุสิตอะไรเงี้ยนะหรือนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีอะไรเนี่ยเออมันเป็นมงคลบ้างอยู่นิมมานราดีก็ไปคอย เนรมิตให้คนอื่นอะไรเงี้ยปรนนิมิตแต่ว่าสวัสดีก็คอยรอสิ่งเข้าที่คนอื่นเขาเนรมิตมนดีทางนั้นน่ยชื่อทั้งหลายเนาะแต่ชื่อนรกเ่ยอย่าไปตั้งดูแล้วไม่ค่อยเป็นมงคลดังนั้นเรื่องความอดทนถ้าทําได้ก็กลายเป็นเป็นบุญเป็นบารามีถ้าทนไม่ได้กลายเป็นสร้างบาปให้กับตัวเอง มีคำคำหนึ่งที่คนไทยจะใช้ผิดคือคำว่าอิดชาอิดชาเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าอิดสางงไหมไม่ใช่อีสานะอิดสาอิดสาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าฤิษยาถ้าใช้ภาษาบาลีก็ใช้ว่าอิดสาถ้าใช้ภาษาสันสกฤตก็ริษยาพอเป็นภาษาไทยว่าอิดชาเนี่ยมันจะไปตรงกับบาลีแปลว่า มีความต้องการแปลว่าอยากอะไรนั่นต้องการเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คําชักขอชักชวนให้ใช้คําใหม่ใช้คําว่าฤศยาฤศยาเนี่ยจะตรงจะตรงกับศัพท์ต้นทางมากกว่าฤศยากับโลภยมว่าอันไหนหน่ากลัวกว่ากันฤศยาหน้ากลัวหมายถึงว่า เรากลัวคนริษยาหรือเราเรากลัวคนโลภใช่ไหมเรากลัวคนริษยามากกว่าใช่ไหมมีเพื่อนอยู่สองคนไม่ใช่เพื่อนอาตมานะนีมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมามีเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งขี้โลภคนหนึ่งขี้ริษยาเดินทางไปเจอเจออะไรดีเจอตะเกียงตะเกียงวิเศษถูถูตะเกียงยักษ์ก็ออกมายักษ์ก็บอกว่า ขอบใจมากที่ปล่อยริชันออกมาจากตะเกียงเราให้พรกับท่านให้ข้อเดียวแต่ให้ท่านคนละข้อแต่คนที่ได้ทีหลังเนี่ยจะได้มากกว่าคนที่ขอคนแรกสองเท่าถ้าโยมถ้าเป็นโยมโยมจะขอทีหลังหรือขอก่อนฮึ้เวลาเราจะขอทีหลังหรือขอก่อน ขอที่หลังหนะ้าไอ้คนขี้โลภเนี่ยนะก็ขอที่หลังเพราะคนโลภมันอยากจะได้มากๆใช่ไหมไอ้คนลิศยาก็พยายามจะขอที่หลังเหมือนกันแต่มันเถียงคนสู้ไอ้คนโลภไม่ได้ไอ้คนโลภขยันขยอให้ไอ้คนลิศยาเนี่ยขอก่อนไอ้คนลิศยาก็เลยจะขออย่างไงดีใจก็ลิศยาว่าเดี๋ยวมันจะได้มากกว่าก็เลยขอว่า ขอให้ข้าพเจ้าตาบอดหนึ่งข้างท่านได้ตามนั้นและไอ้คนที่สองก็เลยตาบอดสองข้างความลิสยาหน้ากลัวนะคนอื่นลิสยาเราก็หน้ากลัวเราลิสยาคนอื่นก็น่ากลัวถ้ามันมีลิสยาขึ้นมานะให้รู้ทันแล้วก็ทันทีที่รู้ทันลิษยาลิสยาจะดับ ทันทีที่รู้ทันคือมีสติขึ้นมาเห็นลิสยาถูกรู้อยู่ลิสยาจะดับแล้วรีบทำบุญอย่างอื่นซะรีบทาบุญอย่างอื่นความลิสยาเนี่ยน่ากลัวคนเราเวลาผิดพลาดอะไรไปเนี่ยมันจะมองไม่ทันตัวนี้โลกก็ทำบาปอีกแบบหนึง่งลิสยาก็ทำบาปอีกแบบหนึง่งทำได้แมก้กระทั่งว่าให้ตัวเอง จมนิดหนึ่งแล้วให้คนอื่นจมมากขึ chuckling? ้นิษยาตัวเองเนี่ยอะไรเสียหายนิดหนึ่งเพื่อให้คนอื่นเสียหายมากขึ้นด้วยความที่ตัวเองิษยามันร้ายนะระวังอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนกับพระราชาองค์เมื่อกี้นี้ที่อเวจีความโลภความโลกก็น่ากลัวความโลกก็น่ากลัว แต่ถ้าใช้ความโลภให้เป็นความโลภอาจจะเป็นบันไดทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นได้เช่นมาโลภอยากได้สวรรค์อยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นเทวดาอยากมีวิมานสวยๆมันจะถ้าเราไปถูกทางความโลภอันนั้นก็จะทําให้เรามีมีความเพียรมากขึ้นมีเป้าหมายแล้วก็ไปหาสิ่งนั้นมากขึ้นแต่ริษยาเนี่ยน่ากลัวริษยาถ้า ถ้ามันไม่มีสติเข้ามารู้ทันเนี่ยนะมันจะทําให้ทําร้ายได้แม้กระทั่งตัวเองเพื่อให้คนอื่นล่มจมมากขึ้นอย่างที่ไอ้เพื่อนขี้ริษยาคนนั้นให้ตัวเองตาบอดข้างหนึ่งเพื่อให้ไอ้เพื่อนเนี่ยตาบอดสองข้างมันจะได้ไม่ได้มากกว่าตัวเองน่ากลัวขี้เหนียวขี้เหนียวก็น่ากลัวพวกสิ่งที่ไม่ดีพวกเนี้ย น่ากลัวทั้งนั้นใจกว้างขโมยเข้ามาให้คนอื่นเหมือนดีแต่ก็น่ากลัวเพราะนั้นต้องดูที่เป้าหมายดูที่เจตนาดทูที่เจตนาของการกระทำการกระทำจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีดูที่เจตนาว่าทำอะไรเพื่ออะไรสิ่งบางสิ่งอาจจะมีความสุขตอนนี้แต่เป้าหมายไม่ดีก็อย่าทำ อาจจะต้องลำบากตรงนี้บ้างแต่เป้าหมายดีถูกต้องก็ควรทําความสุขและความทุกข์ในขณะทํางานขณะนี้ไม่ใช่ตัวมาตัดสินว่าควรทําหรือไม่ควรทําดูที่ประโยชน์ประโยชน์เราเองคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ตัวเองและประโยชน์คนอื่นรวมกันด้วยผู้ที่ทําและได้ประโยชน์ทั้งตัวเองและประโยชน์ทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญามากพระโพธิสัตว์เนี่ยทำเพื่อประโยชน์ท่านคือ ไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเก่งหรือเด่นประโยชน์ที่ท่านเป็นพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์คือสั่งสอนหรือเปิดทางคนอื่นได้พ้นทุกข์ด้วยไ ด, ไ, ดได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถ้าได้ประโยชน์ท่านอย่างเดียวประโยชน์ตนไม่ได้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่